บทภาชณีติกาปาจิตตี1นึ่งพัสามบอุปสำบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันด่าหรือบริพาตต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจด่าหรือบริพาตต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันด่าหรือบริพาตต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุณีด่าหรือบริพาตอนุปสัมบันต้องอบัตทุกกฎ อนุปัสมบันฑภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุป <Lake> um. ัสมบันด่าหรือบริภาษต้องอบัตทุกกฎอนุปัสสมบันฑภิกษุณีไม่แน่ใจด่าหรือบริภาษต้องอภัตทุกกฎอนุปัสมบันฑภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปัสมบันฑด่าหรือบริภาษต้องอบัตทุกกฎ